จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่อใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากอารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการทำนุบำรุงดูแลรักษาจิตใจที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตเพราะความสุขความทุกข์ทางใจนี้มีความรุนแรง มีความยิ่งใหญ่กว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกายถ้าเปรียบเทียบกันความสุขความทุกข์ทางใจก็เป็นเหมือนช้างส่วนความสุขความทุกข์ทางร่างกายก็เป็นเหมือนหนูความสุขความทุกข์ของร่างกายจึงไม่ใช่เป็นตัวประเด็นที่สำคัญ ต่อให้เราดูแลรักษาร่างกายบำรงบำเลร่างกายอย่างดีขนาดไหนเราก็จะได้ความสุขเพียงระดับหนูเท่านั้นความทุกข์ก็เช่นเดียวกันเราก็จะได้ความทุกข์ระดับหนูส่วนจิตใจนี้ถ้าเราบำเพ็ญดูแลรักษากันอย่างเต็มที่ เราจะได้รับความสุขระดับช้างถ้าเราไม่ได้ดูแลรักษาใจปล่อยให้ไหลไปตามกระแสของความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆใจของเราก็จะได้รับความทุกข์ระดับช้าง <Yeah. S 1> นี่คือความสำคัญของใจที่มีความสำคัญยิ่งกว่าร่างกายพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า มโนปปังธรรมามายามโนเสษฐาใจเป็นใหญ่ใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราท่านถึงทรงสอนให้พวกเราหมั่นบำเพ็ญดูแลรักษาใจของเรายิ่งกว่าการดูแลรักษาสิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราไปอย่างถาวรต่อให้เราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรวิเศษขนาดไหนก็ตามในวันหนึ่งก็จะต้องมีการพัดพรากจากกันเพราะธรรมชาติของสิ่งต่างๆรวมถึงร่างกายของเราก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ไม่ถาวรมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปแต่ใจของพวกเราเนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันไม่มีวันเกิดไม่มีวันดับใจมีอยู่อย่างนี้มาตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามีอยู่แบบไหนของคนส่วนใหญ่ของสัวรโลกส่วนใหญ่ก็อยู่แบบทุกข์ทรมานใจ เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ mm. เพราะว่าไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาใจไม่ให้ทุกข์ให้มีแต่ความสุขมีมีใจส่วนน้อยที่มีความสุขไม่มีความทุกข์นั่นก็คือใจของพระพุทธเจ้าทั้งหลายใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพราะท่าน ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาใจและท่านรู้จักวิธีที่จะบำรุงรักษาใจให้มีแต่ความสุขไม่ให้มีความทุกข์ปรากฏขึ้นมาภายในใจเลยพวกเราก็ถือว่าเป็นผู้มีโชคมีวาสนา ที่ได้มาเกิดในระหว่างที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอรหันตสาวกคอยเอาความจริงเกี่ยวกับการดูแลรักษาใจนี่มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา พวกเราจะไม่รู้ความสําคัญของใจเลยพวกเราก็จะหลงอยู่กับการดูแลรักษาร่างกายดูแลรักษาได้มากน้อยเพียงไรก็จะได้รับความสุขเพียงระดับหนูเท่านั้นแต่ถ้าเราดูแลรักษาใจเราจะได้รับความสุข ที่ยิ่งใหญ่ในระดับช้างได้ดังนั้นเมื่อเรามาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ควรที่จะตับตวงโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้เพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาใจของเราเราจะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ระดับช้างสร้างความสุขระดับช้างให้แก่เราได้ ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะมีในลำดับแรกเมื่อเราได้พบกับพระพุทธศาสนาก็คือให้เรามีศรัทธาความเชื่อในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือในคําสั่งสอนของพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายเพราะท่านสอนในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์แก่จิตใจของเรา จะทำให้จิตใจของเราได้รับความสุขระดับช้างและดับความทุกข์ระดับช้างให้หมดไปในจิตใจถ้าเรามีความสุขระดับช้างแล้วความทุกข์ระดับหนูคือความทุกข์ของร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเลยไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นอมภพอมภภาพ เป็นโรคอะไรต่างๆหรือในเวลาร่างกายจะตายไปความทุกข์ระดับหนูนี้จะไม่มีกําลังที่ไปสู้กับความสุขระดับชาที่มีอยู่ในใจได้เลยพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านถึงแก่อย่างสบายเจ็บคไายได้ป่วยอย่างสบายตายอย่างสบายเพราะว่าใจของท่านไม่ได้ ถูกความทุกข์ระดับหนูมากระทบกระเทือนเลยนี่คือความสำคัญของการดูแลรักษาใจถ้าเราสามารถรักษาใจให้มีแต่ความสุขแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆมากระทบกับร่างกายของเราไม่ว่าจะมีการสูญเสียพัดพราดจากสิ่งต่างๆที่เรารัก หรือมีเหตุการณ์อุดอุบัติภัยทางธรรมชาติต่างๆที่อย่างมากก็จะกระทบกระเทือนสร้างความทุกข์ให้แก่ร่างกายเท่านั้นซึ่งเป็นความทุกข์ระดับหนูถ้าเรามีความสุขระดับช้างอยู่ในใจแล้วความทุกข์ระดับหนูนี้จะไม่เป็นปัญหาเลยในทางตรงกันข้ามถ้าเรามัวแต่มา ดูแลรักษาร่างกายหาความสุขให้กับร่างกายเราก็จะได้อย่างมากก็ความสุขระดับหนูแต่เวลาที่จิตใจของเราได้รับความทุกขระดับช้างความสุขระดับหนูนี้จะไม่สามารถไปต้านไปลบล้างความทุกขระดับช้างภายในใจได้เลยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐี เป็นพระราชามาหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีบุคคลเหล่านี้ก็มีได้อย่างมากก็คือความสุขระดับหนูเท่านั้นเองและไม่สามารถที่จะใช้ความสุกระดับหนูนี้ไปลบล้างความทุกระดับชาตได้มาหากษัตริย์เศรษฐีประธานาธิบดีจึงยังต้องมีความทุกข์เหมือนกับพวกเรา เพราะว่าไม่สามารถที่จะสร้างความสุขระดับช้างไม่สามารถระงับดับความทุกข์ระดับช้างได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรที่จะมีก็คือให้มีศรัทธาความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีความเชื่อแล้ว เราก็จะได้มีความภาคเกลียนมีความเข้มแข็งความอดทนความกล้าหาญที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทําบุญให้ละบาปให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาทํากันในวันนี้วันนี้ท่านได้มาทําบุญกัน ด้วยการนำอาหารข้าวของเงินทองต่างๆมาถวายให้กับวัดแล้วก็มารักษาศีลกันบางท่านก็รักษาศีลห้าบางท่านก็รักษาศีลแปดบางท่านก็รักษาศีลสิบบางท่านก็รักษาศีลสองยเจข้ออันนี้เป็นการละการกระทาบาปแล้วก็ บางท่านก็มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การชำระใจให้สะอาดบริระสุธิราศจากความโลภความอยากความโกรธความหลงต่างๆนั้นจำเป็นจะต้องปฏิบัติคุณธรรมสร้างคุณธรรมสามประการให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจคุณธรรมข้อแรกก็คือสติสตินี้เป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุด เป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นที่เกิดของคุณธรรมที่สองและที่สาที่จะตามมาต่อไปก็คือต้องมีสติก่อนถึงจะมีสมาธิได้เมื่อมีสมาธิแล้วถึงจะมีปัญญาได้ดังนั้นก่อนที่เราจะเจริญคุณธรรมข้อที่สองและข้อที่สาม เราจำเป็นจะต้องเจริญคุณธรรมข้อที่หนึ่งก่อนเหมือนกับการเรียนหนังสือก่อนที่เราจะอ่านออกเขียนได้เราต้องเรียนกอไก่ขอไข่ก่อนต้องท่องกอไก่ขอไข่ไปจนจำได้แล้วค่อยมาหักสะกดคำทีละคำจนกว่าที่เราจะสามารถ สะกดคำต่างๆได้เราถึงจะอ่านได้เขียนได้ฉันใดก่อนที่เราจะมีสมาธิได้เวลานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราต้องมีสติก่อนแล้วก่อนที่เราจะใช้ปัญญามาพิจารณาเพื่อมากําจัดความโลภความโกรธความหลงมากําจัดความอยากต่างๆ เราก็ต้องมีสมาธิก่อนเพราะสมาธินี้จะเป็นผู้มีกําลังที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้แต่สมาธิไม่รู้ว่าอะไรเป็นความโลภเป็นความโกรธความหลงต้องอาศัยปัญญาเป็นผู้ชี้บอกว่านี่คือความโลภนี่คือความโกรธนี่คือความหลง นี่คือธรรมะที่เราต้องสร้างขึ้นในการที่เราจะชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ขั้นต้นเราต้องจเจริญสมาเจริญสติอยู่เรื่อยๆสร้างสติขึ้นมาให้ได้ก่อนเหมือนกับก่อนที่เราจะเดินก่อนที่เราจะวิ่งได้เราต้องลุกขึ้นมายืนให้ได้ก่อนถ้าเรายังยืนไม่ได้ยังคลานอยู่ เราจะเดินไม่ได้จะวิ่งไม่ได้สิ่งที่เราต้องทำก่อนที่เราจะเดินก่อนที่เราจะยืนเราต้องก่อนที่เราจะเดินก่อนที่เราจะวิง่งเราต้องยืนก่อนลุกขึ้นมายืนก่อนฉันใดก่อนที่เราจะมีสมาธิได้มีปัญญาได้เราก็ต้องมีสติก่อนดังนั้นเราจึงควรจเจริญสติอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเพราะการเจริญสตินี้เราสามารถทําได้ทุกเวลาทุกสถานที่ไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่วัดเสมอไปแต่ถ้าได้อยู่วัดได้ที่อยู่ที่สงบสงัดวิเวกที่ห่างไกลจากคนจากเรื่องราวต่างๆก็จะทําให้การเจริญสตินี้ง่ายกว่า การที่จเจริญสติในเวลาที่เราอยู่กับคนอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่าถ้ามีคนมีเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะถูกเหตุการณ์ต่างๆดึงไปทำให้เราไม่สามารถควบคุมใจของเราได้อย่างต่อเนื่องการจเจริญสติก็คือการควบคุมใจควบคุมความคิดของเรานั่นเอง เราไม่ต้องการให้ใจเราคิดเพราะคิดแล้วใจไม่สงบใจไม่สงบใจก็จะไม่มีกำลังที่จะตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆได้เราจึงต้องพยายามหยุดความคิดของเราให้ได้ด้วยการใช้อุบายของการเจริญสติเช่นใช้พุทธานุสติก็คือใช้ชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่อง หยุดความคิดต่างๆด้วยการท่องคำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาพอได้สติรู้สึกตัวก็เริ่มท่องพุโทโธไปเลยก่อนที่เราจะลุกจากเตียงเพื่อไปทำภารกิจ ต, ต่างๆขณะทำภารกิจ ต, ต่างๆ ก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปกำกับกับภารกิจ ต, ต่างๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้นอกจากมีความจำเป็นที่จะต้องคิดเช่นต้องคิดว่าวันนี้เป็นวันอะไรต้องทำภารกิจอะไรบ้างก็คิดได้เพื่อเป็นการเตือนสติเตือนใจให้รู้ว่าจะต้องไปทำภารกิจอันใด พอรู้แล้วก็หยุดคิดกลับมาคิดอยู่ที่คำว่าพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆขณะที่เราเตรียมตัวที่จะไปทำภารกิจต่างๆและในขณะที่เราทำภารกิจถ้าเราไม่จำเป็นจะต้องคิดเกี่ยวกับภารกิจที่เรากำลังทำอยู่ mm. ก็ให้ท่องพุโทโธต่อไปถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วเราจะหยุดความคิดของเราได้ พอเราหยุดความคิดของเราได้เวลาเราต้องการทำใจให้นิ่งให้สงบพอเรานั่งหลับตาท่องพุโทโธไปไม่นานความคิดก็จะหายไปใจก็จะสงบใจก็จะรวมเป็นหนึ่งการรวมเป็นหนึ่งของใจนี้ทำให้ใจมีพลังมากเวลาใจไม่รวมนี้ใจจะอ่อนแอเหมือนกับไม้ถ้าเราเอามามัดรวมกัน อยู่รวมกันแล้วมันจะมีกําลังมากกว่าเวลาม่อยู่กระจัดกระจายออกไปฉะนั้นใดถ้าเราต้องการพลังของจิตเพื่อที่จะนํามาทําลายความโลภความโกรธความหลงทําลายความอยากต่างๆเราต้องทําใจให้รวมให้เป็นหนึ่งให้ได้ก่อนการที่จะทําให้ใจรวมเป็นหนึ่งนี้ ก็ต้องมีสติเป็นผู้ควบคุมความคิดไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆเพราะเวลาคิดแล้วใจจะกระจายออกไปถ้าเราคิดอยู่แต่คำว่าพุโทโธพุโทโธใจก็จะรวมเข้ามาเป็นหนึ่งพอใจรวมเป็นหนึ่งแล้วใจก็จะมีพลังมากสามารถหยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆไว้ได้ชั่วคราว เวลาจิตสงบนี้จิตจะเป็นอุเบกขาจะไม่มีความโลภความโกรธความหลงจะไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงแต่อย่างใดแต่เป็นการสงบระงับเพียงชั่วคราวเนื่องจากกำลังที่บังคับให้จิตรวมนี้ยังมีไม่มากพอก็คือสติยังมีไม่มาก ก็เลยยวมได้ประเดียวประดาแล้วก็ถอนออกมาแต่พอเราได้สัมผัสกับความสงบที่เป็นผลที่เกิดจากการรวมของใจแล้วเราจะเกิดมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปเพราะเราเห็นแล้วว่าไม่มีความสุขอันใดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการรวมตัวของใจ การเป็นสมาธิของใจก็จะทำให้เรามีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นเราก็จะหมั่นเจริญสติให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นให้ต่อเนื่องจนเราสามารถมีสติต่อตลอดเวลาเรียกว่ามีสัมปัตชัญญาเพราะมีสัมปัตชัญญาแล้วทีนี้ใจของเราก็จะมีพลัง สามารถที่จะทำอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้สามารถเลิกสิ่งที่ไม่ดีต่างๆได้เลิกสูบบุหรี่ได้เลิกกินเหล้าได้เลิกเที่ยวได้เลิกอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เลิกอิจฉาริษยาได้เพราะว่าเรามีเบรคที่จะมาดับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้ พอเรามีพลังแล้วที่นี้เราก็จะใช้ปัญญามาช่วยในการหยุดความอยากต่างๆเวลาเราเกิดความอยากปัญญาก็จะสอนว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุที่จะมาทำลายความสงบทำให้ใจไม่มีความสุขถ้าพอใจเริ่มมีความอยากถ้าสังเกตดูก็จะเห็นทันทีว่าตอนนี้ใจเริ่ม ไม่สงบแล้วใจเริ่มกังกวลกวายกระสับกระสายแล้วก่อนที่มีความอยากนี้ใจเย็นใจสบายแต่พอเกิดความอยากขึ้นมาจะเกิดความกังกวลกวายขึ้นมาทันทีเช่นตอนนี้ญาติโยมนั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกเย็นสบายแต่ถ้าเกิดมีความคิดขึ้นมาว่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างเพราะวิตกกังวลกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็จะทำให้เกิดความอยากที่จะไปทำเรื่องต่างๆพอเกิดความอยากก็จะเกิดความกวนกวยกระสับกระสายจะนั่งไม่ติดแล้วจะนั่งไม่เป็นสุขแล้วแต่ถ้าใช้ปัญญามาพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากไปทำตอนนี้ไว้ทำทีหลังก็ได้ไม่เสียหายอะไรเราทำไปก็ไม่ได้มีความสำคัญ เท่ากับการรักษาความสงบของใจถ้าจะไปทำก็ต้องไปทำแบบใจไม่ต้องมีความอยากทำไปด้วยเหตุด้วยผลเมื่อตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาไปทำก็ระงับการอยากไปกระทำไว้ก่อนพอเราระงับความอยากไปกระทาได้เราก็กลับมานั่งอย่างสงบอย่างสบายได้นี่คือเรื่องของปัญญา ถ้าเราอยากจะมีความสุขใจมีความสงบใจตลอดเวลาเวลาที่เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเราต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้เลิกความอยากให้เปลี่ยนใจให้สอนใจให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นไม่สามารถให้ความสุขได้เท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ ถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็จะหยุดความอยากต่างๆได้พอเราหยุดความอยากต่างๆได้เราก็สามารถดับความทุกข์ต่างๆภายในใจให้หมดไปได้ใจของเราก็จะมีแต่ความสุขระดับช้างตลอดเวลาจะไม่มีความทุกข์ระดับช้างเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราต่อไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราแล้วเกิดขึ้นกับบุคคลที่เรารักหรือเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆที่เรารักจะไม่เป็นปัญหากับใจของเราอีกต่อไปเพราะใจของเราจะไม่มีความอยากที่จะไปอยากให้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามความอยากของเรา เพราะเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้บุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆสิ่งของต่างๆเขาต้องเป็นไปตามวิถีชีวิตของเขาถ้าเขาจะเจริญเขาก็จะเจริญถ้าเขาจะเสื่อมเขาก็ต้องเสื่อมไม่มีใครไปยับยั้งความเจริญหรือความเสื่อมของบุคคลต่างๆของสิ่งต่างๆได้ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะปล่อยวางได้ พอเราปล่อยวางได้แล้วใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่มีความทุกข์ในระดับช้างมาเหยียบย่ำใจจะมีแต่ความสุขระดับช้างที่จะทำให้เราไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นี่คือคุณประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการ มาวัดเพื่อมาทำนุบำรุงดูแลรักษาใจของเราจะสร้างความสุขอันยิ่งใหญ่และจะดับความทุกข์อันยิ่งใหญ่ให้หมดไปส่วนเรื่องของร่างกายนี้เราก็ดูแลไปตามอัตภาพก็พอไม่ต้องเสียเวลามากจนเกินไปถ้าร่างกายอยู่ได้ไม่เดือดร้อนมีที่อยู่อาศัยมีอาหาร มียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งหง่มก็พอเพียงแล้วอย่าเสียเวลากับการไปหามากจนเกินไปหรือหาสิ่งที่ดีจนเกินไปสำหรับร่างกายพอจะไม่สามารถสร้างความสุขระดับช้างให้กับเราได้มีแต่ความสุขระดับหนูเท่านั้นสิ่งที่เราต้องมาทำเพื่อสร้างความสุขระดับช้างขึ้นมา ก็คือมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาภาวนามาปฏิบัติธรรมวันไหนมีเวลาว่างก็ลองมาอยู่วัดดูบ้างมาทำใจให้สงบมาเจริญสติมาสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่จะเป็นของเราไปตลอด ถึงแม้ว่าร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุขที่เราได้รับภายในใจของเรานี้ก็จะอยู่ไปกับเราต่อไปเราไปเกิดที่ไหนเราก็จะมีความสุขที่เราได้สร้างไว้นี้ไปกับเราไม่เหมือนกับความสุขของทางร่างกายที่เราไม่สามารถนำเอาไปได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว เรานำความสุขที่เราได้จากทางร่างกายไปไม่ได้เลย and and เ, ล preach. เราไม่สามารถนาเอาทรัพย์ต่างๆไปได้ไม่สามารถนำเอาคนต่างๆไปได้ไม่สามารถเอาสิ่งของต่างๆไปกับเราได้สิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็คือสิ่งที่เราสร้างไว้ภายในใจถ้าเราสร้างความสุข <Nej. S 1> เราก็จะเอาความสุขไปกับเราถ้าเราสร้างความทุกข์ เราก็จะเอาความทุกข์ไปกับเราถ้าเราเอาความสุขไปเราก็จะไปสู่สุขคติไปเกิดในภพที่ดีไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอรยาาิยเจ้าถ้าเราเอาความทุกข์ไปกับเราเราก็ไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนี่คือเรื่องของใจของเราที่ไม่มีวันตาย ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่จนกว่าเราจะสามารถชำระใจของเราให้บริสุทธิ์ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้เท่านั้นเราถึงจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเราได้ทำบุญได้รักษาศีล ได้มันชำระใจอยู่เรื่อยๆพบชาติของเราก็จะเป็นพบชาติที่ดีไปตลอดจนถึงวาระถึงพบชาติสุดท้ายเราจะได้ไม่ต้องไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่คืออนิสงส์ที่เราจะได้รับจากการหมั่นปฏิบัติตามคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ นั่นก็คือทำบุญอย่างสม่าเสมอละบาปอย่างสม่าเสมอชำระใจให้สะอาดอย่างสม่าเสมอแล้วชีวิตของเรานี้จะมีแต่เจริญ ก, ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจะมีความสุขมากขึ้นไปจะมีความทุกข์น้อยลงไปจะมีภพชาติที่ดีขึ้นไปตามลาดับจนถึงภพชาติสุดท้ายคือภพชาติของพระพุทธเจ้า ภบชาติของพระอาหารหันต์จะเป็นผลที่เราจะได้รับตามมายอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญสร้างบุญสร้างผู้สนเพื่อชำระเพื่อดูแลรักษาจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้มีแต่ความสุขไปตลอดเวลานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติ